มาจากที่ไหนกันขอนแก่นนะนนนะมากันกี่ค น, นะคนมาทาอะไรเลยทำบุญแล้วก็ฟังธรรมไทยมาทำธุระแถวนี้หรือเปล่าตั้งใจมากเลยนะ <c oughs> มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมาตามาั้งแต่เมื่อวานมาข้งแรงแถวนี้แล้วข้างสอง มาพักแรมแถวนี้นะหมอใช่ครับเข้ามาแถวนี้เราจะกลับเลยนะยังได้หนังสือซีดีไปแล้วยังอันนี้ยังไม่ได้ไไดเดี๋ยวเวลาจะไปก็หยิบเอาได้นะของแจกมาไกลมีอะไรอยากจะมาถามหรือเปล่ามีมีมมมถามได้เลยเรบพังกัน ตรงนี้ที่นี่ไม่มีไม่มี ไ, มมไว้ครูถามมันเลยไม่ต้องใช้ละได้ยินเสียงมันอยากทราบว่าบา ง, บางทีผมบางทีนั่งนั่งสมาธิก็ดี บ, บางทีภาวนาหรือไม่ถ้านั่งหรือทานอนเนี่ยครับก็เคยนอนภาวนาแล้วทีนี้มันเหมือนจะ มันเหมือนจะหลับแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่เชิงว่ามันจะหลับมันกำเคิมืึอนหลับขึ่นตื่นครับแล้วมันไม่ดีมันเห็นว่าเหมือนตัวเองอะอยู่บนเมฆแล้วมองไปทั่วตัวเนี่ยครับมันจะเป็นสีขาวสุดลูกหูลูกตาแต่ก้าวเดินไม่ได้แล้วมันรู้สึกเย็นสบายมันมันเหมือนแบบมันปีเตียครับแล้วมันก็ปุ๊ขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวแล้วก็จะพยายามนั่ง นั่งสมาธิก็ดีนอนก็ดีมันก็ไม่ก อ, <c oughs> อมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอาการความสงบอย่างหนึ่ ง, งแต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะทําให้หลับไปได้ควรจะนั่งอยู่ในท่านั่งจะดีกว่าครับ <c oughs> แล้วก็มันต้องไปนึกกว่านี้ให้ที่มันเกิดอาการเหล่านี้มันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จุดหมายปายทางจิตต้องวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบว่างสบายครแล้วก็ตื่นมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา แ, แ, แล้วที่มันเกิดเป็นเห็นเป็นอ๋อนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของใจเวลาใจมันสงบมันก็จะมีอะไรแปลกๆให้เห็นแต่ก็ไม่เป็นประเด็นสาคัญอะไรไม่ได้เป็นตัวที่จะ วัดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมก็เป็นเรื่องของผลพลอยไดจากการนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เป็นผลหลักที่เราต้องการผลหลักเราต้องการให้ใจนิ่งว่างเย็นสบายเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวจะทำยังไงจนะทำยังไงนั่งนั่งสมาธิแล้วมันชอบกระตุก ก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจแล้วมันมันเหมือนนั่งแล้วมันจะกลัวใช่ไหมครับก็บอกตัวเองว่าไม่มีอะไรนากลัวเวลานั่งดูหนังเว่นกลัวเหมือนแบบมันผวามันแบบอ่าสติมันจะหลุดอันั้นแหละเป็นกลัวไปเองมันก็ทําความเข้าใจไว้ก่อนนั่งว่ามันก็นั่งเฉยเฉยมันก็เวลานอนนอนเราก็เห็นกลัวอะไรกลัวมันก็ที่นอนที่เวลาที่เรานอนเราไม่กลัวเพราะมันหลับไป แต่เวลานั่งนี่เราไม่ลับเราก็เลยคิดกลัวไปเองโดยที่ไม่มอีอะไรที่จะมารับรองความกลัวของเรามันเป็นเรื่องของความคิดของคนอาจจะได้ถูกปลูกฝังมาว่านั่งแล้วเดี๋ยวจะเห็นนูน่นเห็นนี่จะเป็นนูน่นเป็นนี่อนจึงไม่เป็นอะไรนั่งก็นั่งเฉยๆมา น, นั่งดูทีวีนี่แหละมันจะไปเป็นอะไร ไม่เป็นมันเพียงแต่ว่ามันดีกว่านั่งดูทีวีนั่งแล้วมันสงบมันสบายมันมีความสุขมันไม่อยากได้อะไรถ้าจิตมันสงบแล้วมันมีความสุขมากแไม่ต้องไปกลัวอะไรเวลากลัวก็บอกไม่มีอะไรน่ากลัวบางทีมันเหมือนคิดไปเองหลอกไปเองหลอกตัวเองไปก็ไม่เป็นไรเวลาจิตสงบมันก็จะเหมือนกับตกลงมาจากที่สูง แต่ลงมาแล้วมันมีเบาะลองอยู่หน้าน้ำมันสบายเพอลงมาแล้วมันจิตก็จะเบาสงบไม่ต้องไปกังวลนั่งสมาธิไม่มีพิษไม่มีใครมีแต่มีแต่ความสุขมีแต่ผลที่ดีแต่มันอาจจะมีของแถ ม, มเช่นเห็นอาการภาพเพ้ออะไรต่างๆอหา น, นี้ก็ อ, อย่าไปสนใจ มันเป็นของแถมเมื่อเราไปซื้อของบางที่เขาก็มีของแถมมาให้แต่เราไม่สนใจของแถมเราสนใจของที่เราไปซื้อกันไม่ต้องไปสนใจให้เราภาวนาไปถ้าเราดูลมก็ดูลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเวลาภาวนานี่ต้องมีอะไรกำกับใจไม่ใช่นั่งเฉย นั่เฉยๆแล้วเดียวจิตมันก็จะแสดงอาการต่างๆขึ้นมาถ้ามีอะไรกํากับใจแล้วมันจะไม่มีอาการมากถ้าเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเรือดูลมไปเรื่อยๆมันจะว่าจะเย็นจะไม่มีอาการแปลกๆอะไรให้เห็นนะแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอาการต่างๆโผล่ขึ้นมาเราใช้ภวนาคํวาวนาบุญเปนไหมครับเอา่า ให้พุโทโธก็ได้โมพุทธายะอะไรได้อะไรก็ได้ให้มีอะไรมีกำกับใจไว้อย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูใจเฉ ย, ยๆ<ะ>เดี๋ยวใจมันก็จะเดินละครนีน่เราดูให้มีนโมตัสสะก็พุโทโธธรหมโมสังโคก็ไดให้มีอะไรท่องไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะไม่มีอาการอะไรแปลกๆให้เห็น แต่เวลาเราเผลอหยุดเมื่อไหร่บางทีมันก็เกิดขึ้นมาได้ไการพอมันเกิดแล้วเราก็แสดงว่าเราไม่มีพุโทโธไม่มีการสวดเราก็สวดใหม่สวดต่อไปใหม่สวดอะไรที่เราเคยสวดเนี่ยก็สวดไปจะเป็นชินบัญชนมากกว่าก็ได้แต่เอาสั้นๆเอาทาเดียวเช่นพุโทโธได้ก็ดีกว่าถ้ายังไม่ได้จะสวดชินบัญชนไปก่อนก็ได้ ตรวจไปจนรู้สึกว่ามันไม่อยากจะสรวจแล้วก็ลองเอาพูดโธคําเดียวหรือไม่อยากจะพูดโธก็ดูลมหายใจใหยใจให้เฝ้าดูลมหายใจให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจอย่าให้ใจไม่มีอะไรกะเกาะให้เกาะกับลมแต่ไม่ต้องตามลมให้เกาะตรงจุดเดียวตรงจุดที่ปลายจมูกลมเข้าออกตรงปลายจมูกก็ให้เกาะรู้อยู่ตรงนั้น ล้วอย่าไปไหนอย่าไปตามรู้อะไรมีภาพปีอะไรมาให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมเพยงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะอุ้มลงไปเหมือนตกลงจากที่สูงแล้วทุกอย่างก็จะนิ่งเงียบสงบแล้วก็พอนิ่งเงียบสงบแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรให้ให้รู้เฉยๆไปนั่นเรียกว่าสมาธิให้รู้ไปนา น, น, าน เนกามันจะถอนออกมาเราก็จะลุกไปทำงานไปทำอะไรต่อก็ได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อก็ได้ลุกมาเดินจงกรมก็มาพุทธโทมาสวดต่อก็ได้หรือจะมาพิจารณาร่างกายก็ได้ว่าร่างกายของเหลานี้ไม่ใช่ของเราเป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปห้ามมันไม่ได้ ถึงเวลามันจะไปไม่มีใครห้ามมันไม่ได้ห้ามมันได้สิ่งที่เราต้องห้ามคือใจใจที่อยากจะให้มันไม่ไปเพราะถ้าไปอยากให้มันไม่ไปแล้วมันจะทุกข์มากถ้ายอมให้มันไปมันก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาหลังจากออกสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจซ้อมใจซ้อมปล่อยร่างกาย ต้องไปต้องเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวถึงเวลาโรคภัยมันก็จะมาพอหมอบอกเป็นโรคมาเ็งก็จะได้รู้ว่าใกล้ตายจริงๆแล้ว น, นี้ถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ถ้าปล่อยก็จะเฉยๆไม่รู้สึกวุ่นวายไม่รู้สึกเดตอดนนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับร่างกาย ไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นคนที่มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นร่างกายเป็นคนรับใช้เราเป็นคนสั่งเช่นวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาที่นี่มันก็พามาพาเรามาที่นี่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็มาไม่ได้ เราเอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทําอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปติดกับมันไม่อยากจะให้มันจากเราไปเพราะเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็ทําอะไรไม่ได้เรายังอยากทํานู่นทนํานี่ยังยังดูนั่นดูนี่อยู่ก็ต้องมีร่างกายถึงจะทาได้ถึงจะดูได้เราจึงไม่อยากให้มันจากเราไป เราไม่อยากให้มันจากเราไปเวลามันจะจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์ก็ต้องยามรับยามรับว่ามันต้องไปมันต้องจากเรามันไม่ได้เป็นของเรานี่คือเรื่องของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาปฏิบัติเพื่อให้เรามีกําลังมีความรู้ที่จะปล่อยวางร่างกาย ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับร่างกายถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายเข้าใจไหมมีอะไรอยากจะถามยงไงอยู่ขอนแก่นอยู่ในตัวจังหวัดเนี่ยอำเภอภูพามา เ, เาะนะี่ยอเภออะไรเนี่ยภูผามาคือแค่ภูาากระดึงภูกะดึง ไปทางตะวันเลยฮะครับต้องผ่านถ้าออกจากขอนแก่นต้องผ่านชุมแพไปแล้ว ใ, ใช่ไหมเราเคยไปถึงชุมแพเคยไปที่เขื่อนจุฬาพรที่นั่นมีสำนักสงฆ์เล็กๆเงียบดีอยู่บนเขาช่วงหน้าร้อนมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เคยไปอยู่ไม่ไม่นานไปอยู่สักพักหนึ่งไปไปลองดูตอนนั้นบวดได้ห้าพันสามห้าันาก็เลยลาขอลาหลวงตาออกไปไปเยี่ยมบ้านขากลับจาก่อนจะกลับบ้านตายก็เลยแวะไปที่ที่เนี้ยสำนักสงฆ์ในเขื่อนจุราพรเป็นที่ของ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาสร้างให้พระไปอยู่มีกุ้เวแล้วก็มีที่ให้ให้คนงานคนงานที่ทำอยู่ในเขือนได้มีพระไปบิณฑบาตไปใส่บาทก็ดีเย็นดีสบายดีเคยไปไหมเกิดจุันยาย ต, ตัวเคืมันอยู่ในในจังหวัดของชาภูไม่ใช่ค อ, อนสานเนี่ยคอนานัค อ, อนานแต่มันอยู่ติดกันในกระชุมแพรอาจจะขึ้นมาก็ได้นะจ ะ, จะนั่งข้างล่างก็ได้แล้วแต่สะดวกตรงไหนก็เอาเพื่อนมาแล้ว ออบองคนสนุ th ้งวิ่งขึ็นยออคือหนะ่แล้วไม่ยอมไปปัญหาที่หลบไงลองคลนไม่ได้ลองวิดเลย บางคนกลัวมีอะไรัหยนอกจากมาทำาุญต้อมีอะไรป่ะฟังธรรมหลงพอก็นั่งตามสบายนะที่น e ั่งตามสบายเข้าใจแล้วยังการปฏิบัตินั่งสมาธิเพ pues ื่อให้ใจสงบใจมีความสุขใจมีกำลังที่จะมามองความจริง ความจริงก็คือสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดก็จะเสียใจถ้ายังอยากให้มันมีต่อไปฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันมีวันสิ้นสุด ของต่างๆที่เรามีอยู่ได้มานี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดมันจะต้องมีวันพัดพากจากกันไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะมันจะต้องมีวันที่มันจะต้องสิ้นสุดลงอันนี้เรียกว่าปัญญาถ้าใจเราไม่มีความสงบมันจะไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้ มันจะคิดอยู่กับความหลงว่าอ้นั้นก็ดีไอ้นี่ก็ดีจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆมักจะคิดอย่างนี้กันพอเวลามันกลายเป็นของคนอื่นไปก็เสียใจเวลาแฟนไปเป็นแฟนคนอื่นก็เสียใจตอนเป็นเป็นของเราก็ดีใจพอของอะไรที่เคยเป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เสียใจนั่นเราต้อง ป้องกันไม่ให้เสียใจก็คือต้องทำใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี่รวมทั้งร่างกายของเรานี่มันก็ต้องไปสักวันหนึ่งถ้าเราให้มันไปเราไม่ยึดไม่ติดไม่หวงเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราหวงเราก็จะทุกข์ก็มีเท่านี้ ปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยได้ก็สบายปล่อยไม่ได้ก็ทุกข์ส่วนใหญ่ปล่อยไม่ได้กันไม่อยากให้มันไปมีใครอยากให้ร่างกายตายบ้างไมมีใครยอมให้ร่างกายตายบ้างไหะถึงเวลาตายก็ตายยอมตายถ้ายอมตายแล้วก็จะสบายจะไม่ทุกข์กับมันยังไงก็ตายอยู่ดี ตายแบบยอมกับตายแบบไม่ยอมถ้าตายแบบยอมก็สบายไม่ทุกข์ถ้าตายแบบไม่ยอมก็ทุกข์ก็ตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านตายแบบยอมท่านก็เลยไม่ทุกข์กับความตายพวกเราตายแบบไม่ยอมพวกเราเลยทุกข์กันพอ <Yeah. S 1> คิดถึงความตายก็ทุกข์แล้วยังไม่ถึงยังไม่ได้เจอของจริงเลย แต่คิดว่าเราต้องตายสักวันงนี่ก็ไม่อยากจะคิดแล้วถ้าไม่คิดมันก็เลยลืมมันก็เลยไม่ยอมทำมันเลยไม่ยอมตายกันถ้าคิดอยู่บ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะยอมตายเพราะว่าพอมันยอมตายแล้วมันจะสบายใจมันก็ยืมของเขามารู้ว่าต้องคืนเขาแต่ทำเป็นลืมว่าไม่ต้องคืนเขา พอเขามาเอาคืนไปก็จะเสียใจแต่ถ้าคอยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าเป็นของยืมมานะไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปพอเขามาขอคืนก็คืนเขาไปได้เลยใจเรามันมีกาวเวลามันได้แนละมนมันจะติดไม่รู้ว่าจะเป็นของใครก็ตามพอได้มาแล้วจะกลายเป็นของเราทันที จะไม่อยากให้เขามาเอาคืนไปของบางอย่างยืมมาก็รู้ว่าเป็นของเขายืมมาแล้วบางทีก็ทำเป็นลืมก็มีลืมว่าไปยืมเข้ามาจนเจ้าของก็ต้องมาท ว, วงทวงมทีก็ทำหวอหายไปก็มีแกล้งบอกาว่าหายไปเพราะไม่อยากจะให้คืนอันนี้ก็ถ้าทำอย่างนี้ก็ยืมได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปจะไปยืมของใครเขาก็ไม่ให้ยืม นี่กใจเป็นอย่างเงี้ยพอมันได้อะไรมาแล้วมันจะติดมันจะไม่อยากเสียไม่อยากจะให้คืนไปของทุกอย่างที่เราได้มานี้เป็นเป็นเหมือนของยืมมาทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราก็ต้องคืนไปร่างกายนี้ก็ยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปยืมมาจากอะไรจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเนี่ย ร่างกายนี่เราเอาดินเอาน้ำาอาลมเอาไฟมาผสมกันเลยทำให้เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดโดดลมที่เราหายใจเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปดินก็คือข้าวที่เรากินเข้าไปพอมันไปนผสมกันมันก็เลยทำให้เกิดผมขนเล็บฟันเกิดไฟขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายแล้วเดี๋ยวพอมัน หยุดหายใจพอไม่มีลมหายใจมันก็แยกตัวกันน้ำในร่างกายก็จะไหลออกมาลมก็จะระเหยออกไปกลิ่นต่างๆความร้อนก็หายไปเหลือแต่ดินยิ่งไปนานๆร่างกายก็กลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเนี่ยเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟ ที่เราได้มาแล้วเราก็ต้องคืนไปเนี่ยเร า, เาดินน้ำนมไฟเข้ามาเท่าเล็กเทยาน้อยเวลาเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่ก็หายใจและเอาลมเข้าไปแล้วดื่มนมดื่มน้ำนมะก็มีดินในในนมก็มีมีสารอาหารสารอาหารก็เป็นดินพอพอพอเข้าไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเติบโ ต, ตขึ้นมาเหมือนต้นไม้ ต้นไม้มันก็ต้องมีน้ำมีลมมีไฟความร้อนรางต้นไม้มันถึงจะโตขึ้นมาจากดินได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันโตสุดขีดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปต้นไม้ต่อไปมันก็โค่นลงมามันมันไม่หมดสภาพอยู่ร่วมกันไม่ได้ดินน้ําลมไฟที่รวมกันมันไม่มี กำลังที่จะอยู่ร่วมกันได้มันก็แยกกันออกไปนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้าลมไฟของทุกอย่างนี่มาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟปะเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันไปไม่มีอะไรจีรังถาวรไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกเวลามันแยกกัน เวลามันแยกตัวเวลามันกลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆสานเราก็ต้องอยู่อยู่ตามความเป็นจริงเยคยอยู่แบบเตรียมเตมใจเตรียมคืนของเข้าไปเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาเอาคืน คน เ, เนี่ตายได้ทุกทุกวัยไม่ว่าจะต้องแก่ตายกันทุกคนบางคนอายุเดือนหนึ่งก็ตายปีหนึ่งก็ตายห้าปีก็ตายสิบปีก็ตายตายได้ทุกเวลาฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจว่าเวลาเข้าม า, าคืนไปเราจะทําใจไม่ได้เราจะไม่ยอมคืน แล้วเราก็จะทุกข์ใจองต์เจ้าจึงสอนมาให้เราคิดถึงความตายอยู่ทุกวันทุกเวลาคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้เตรียมใจเตรียมตัวพอตายก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจกันยังไม่ยอมตายกันแต่เราไปต่อรองความตายไม่ได้ ความตายถึงเวลามันจะตายมันไปไปขอต่อเวลายืดเวลามันไม่ยอมต่อให้เรายืดให้เราเอนเราอย่าไปต่อรองเลยเรามาเตรียมตัวเตรียมใจกันดีกว่าเพราะมันต้องไปแน่ๆไปวันนี้ก็ไปวันพรุ่งนี้ท่านหนึ่งช้าเร็วแต่มันต้องไปเมื่อมันต้องไปเราก็มาเตรียมตัวมาสมมติคิดว่าจะต้องไปวันนี้ก็แล้วกัน ถามตัวเองวันนี้พร้อมที่จะตายหรื อ, อยังถ้ายังไม่พร้อมก็ทุกเวลาจะตายถ้าพร้อมก็จะไม่ทุกาการปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นอะไรหรอกปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์เท่านั้นเองให้เราปล่อยวางให้เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราต้องคืนเจ้าของเข้าไปเจ้าของคือดินน้ำโน่นไป ของต่างๆที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องกลับกลืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนที่เป็นดินก็ไปดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปน้ำส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็ไปไปที่เดิมของมันเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาตอนต้นก็วิปัสสนึกไปก่อนตอนนี้ก็นึกไปก่อนนึกไปก่อ น, น, อนเตรียมตัวไปก่อน พอถึงเวลาพอปล่อยได้ก็เป็นวิปัสนาถ้าพอถึงเวลายังปล่อยไม่ได้ยังทุกข์อยู่ก็ยังเป็นวิปัสนาเกี่วต้องปล่อยจริงๆต้องยอมตายจริงๆพอยอมจริงๆแล้วมันจะหายทุกข์ความตายจะไม่มีปัญหาจะไม่เป็นปัญหากับใจของผู้ที่ยอมตายจะไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของผู้ที่ยอมตาย แต่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ไม่ยอมตาย้เราก็มีทางเลือกสองทางจะทุกข์หรือไม่ทุกข์จะตายแบบทุกข์หรือจะตายแบบไม่ทุกข์ถ้าตายแบบไม่ทุกข์ก็ยอมตายถ้าตายแบบทุกข์ก็คือไม่ยอมตายไม่ยอมตายมันก็ตายอยู่ดียอมตายมันก็ตายอยู่ดีเหมือนกันต่างกันที่ใจ ใจทุกข์แลไม่ทุกข์ใจไม่ตายไปกับร่างกายแต่ใจกลับไปทุกข์กับร่างกายเพราะไม่ยอมให้ร่างกายตายไปถ้ายอมให้ร่างกายตายไปใจก็ไม่ทุกข์นี่คือการปฏิบัติเพื่อมาทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับการพัดผาาจากสิ่งต่างๆไป ้ก็ต้องพยายามสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามทำใจให้นิ่งๆเพราะเวลาจะปล่อยต้องปล่อยแบบใจนิ่งๆใจต้องเฉยๆเวลาปล่อยก็คือทำใจเฉยๆเหมือนเรามีของอยู่อย่างเงี้ยวางไว้เฉยๆใจเราเฉยๆใครจะหยิบไปก็เฉยๆให้เขาหยิบไปใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปถ้าใจเฉยมันก็ไม่เลือกวุ่นวายถ้าไม่เฉยมันก็จะวุ่นวาย ที่วุ่นวายเพราะทำใจให้เฉยไม่ได้ถ้าทำใจให้เฉยได้แล้วปล่อยวางทุกอย่างได้ไม่ไปยุ่งกับมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปใจเฉยแล้วใจก็จะสบายใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขนี่แหละความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่การมีข้าวของเงินทองมากมายกายกองแต่อยู่ที่การ อยู่แบบไม่ต้องมีข้าวของเงินทองอยู่แบบไม่มีได้สบายกว่าอยู่แบบมีเพราะว่าเวลามีแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียต้องศูนย์พอแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนอยู่แบบไม่มีอะไรดีที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะเสียถ้ามีแล้วก็ต้องเสียเวลาเสียก็ทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกขก็อย่าไปมีอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องอยู่กับใจที่สงบแล้วใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้แต่ต้องมีความสงบที่ให้นั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบใจสงบแล้วก็ใจก็จะปล่อยทุกอย่างได้ ปล่อยเงินทองปล่อยคนนั้นคนนี้ปล่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีมีแล้วกับทุกข์สู้อย่ามีดีกว่าอยู่กับความสงบนี่ดีที่สุดเพราะถ้ามีอะไรก็รต้องทุกข์กับสิ่งที่มีทันทีมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมีข้าวของอะไรก็ต้องทุกข์กับข้าวของที่มี มีรถก็ต้องทุกกับรถเดี๋ยวก็ต้องไปเสียภาษีเดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้มันเดี๋ยวก็ต้องไปซ่อมเดี๋ยวก็ไปชนกันเดี๋ยวก็เสียมันก็มีเรื่องรุนลายให้กับเราตลอดเวลาถ้าไม่มีสบายกว่ามีเท้าสองเท้าก็เดินไปสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ไม่มีรถยนต์ท่านไปไหนมาไหนท่านก็เดินไป มีคนถวายรด น, น้ท่านก็ไม่นั่งมีแล้วมันทุกมีม้าก็ต้องต้องคอยหาย่ามาให้มันกินเต้องเี้ยงมันเอกซูไม่ต้องมีอะไรดีกว่าอยากจะไปไหนก็ใช้เท้าสองเท้านียเดินไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนไปถึงเมื่อไหร่ก็ถึงไม่ถึงก็ยังไม่ถึงหัดอยู่แบบไม่มีได้ดีกว่าไม่มีราบยศสรรเสริญ ไม่มีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขทางตาหูจมูกเอีนกายแต่กลับมีความสุขกว่าการมีมีแล้ววุ่นวายมีแล้วต้องคอยดูแลรักษาหมดไปก็ต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์เรากำลังอยู่กับความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นความสุขกันหากันแทบเป็นแทบตาย หามาได้แล้วแทนที่จะสุข ก, กับมันกลับมาทุกข์กับมนันเองก็ต้องมาคอยดูแลรักษามานันเองเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องมาห่วงมาห่วงอะไรพอมีแฟนปั๊บก็ต้องห่วงแฟนและห่วงแฟนและแต่ชอบทุกกันเอก็มีความสุขจากการได้สิ่งของเหล่านั้นมาแต่เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว ความสุขไม่จีรังท้วนเวลาจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอไม่มีความสงบถ้ามีความสงบแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะจะรู้ว่ามันทุกข์ความสงบนี้ไม่ทุกข์ไม่มีอะไรต้องคอยดูแลรักษารักษาแต่ใจตัวเดียวรักษาด้วยสติถ้ามีสติแล้วใจก็จะสงบ ใจสงบแล้วก็สบายไม่ต้องมีอะไรไม่มีร่างกายก็ได้ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ยินดีก็ยอมตายได้อย่างสบายร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บได้อย่างสบายใจไม่เจ็บไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเย็นใจสงบไปตลอดเวลานี่คือทาที่พวกเรา มาสร้างกันที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันเพื่อสร้างความสงบสร้างความสงบเกิดที่เกิดจากสติสร้างความสงบที่เกิดจากปัญญาตอนต้นสร้างด้วยสติแล้วก็ใช้ปัญญารักษามันต่อไปอาจารย์ยังว่าปฏิบัติเพื่ออะไร ใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่อยากจะถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านส่งคําถามเข้ามาใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็ได้ใครอยากจะกลับก็ได้นะไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับหรือมีคําถามไหมมีค่ะคำถามจากผู้ฝากถาม นั่งดูลมเข้าออกอย่างเดียวไปเรื่อยๆจะมีโอกาสเข้าถึงวิมุตตได้ไหมคะนั่งดูลมมันก็จะเข้าสู่สมาธิถ้าวิมุตตก็วิมุตต์ชั่วคราวเวลาจิตสงบมันก็หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆแต่พอออกจากความสงบ ม, มันก็วุ่นวายเหมือนเดิมถ้าอยากจะให้ไม่วุ่นวายขณะที่ออกจากความสงบก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้ใจปล่อยวาง พอปล่อยวางทุกอย่างได้ก็จะไม่วุ่นวายที่วุ่นวายเพราะปล่อยวางไม่ได้เพราะหวงใช่ไหมพอจะเสียอะไรไปนี่มันต้องพยายามดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้วรักษาไม่ได้ก็ทุกขณะที่ดูแลรักษาก็ทุกเนื่องถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกมันจะไปก็มันไปมันจะหมดก็มันหมด เราอยู่กับความสงบอย่างเดียวพอไม่ต้องมีอะไรเราก็จะวิมุตตอย่างถาวรถ้าวิมุตด้วยการดูลมนี่มันวิมุตชั่วคราวชั่วขณะที่จิตสงบพอกจากความสงบมาพอมาเห็นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็วุ่นวายไปกับมันนะห่วงมันลนะห่วงมันลนะพอมันจากเราไปก็วุ่นวาย ถ้าปล่อยวางมันไม่ยุ่งกับมันมันจะอยู่มันจะไปเรื่องของมันถือว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่วุ่นวายของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราวุ่นวายไหมแฟนของคนอื่นเราวุ่นวายไหมรถของคนอื่นบ้านของคนอื่นเราวุ่นวายไหมมันจะเป็นอะไรเราไม่วุ่นวายไปกับเขาเราเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราพอถือเป็นของเราแลวุ่นวายขึ้นมาทันทีใช่เพราะอยากจะให้เขาอยู่กับเรา อยากจะให้เขาดีไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่เวลาเขาไม่ดีก็เสียใจดงนั้นอย่าไปถือว่าอะไรเป็นของเราเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจที่เราวุ่นวายใจก็วุ่นวายใจกับของที่เรามีอยู่ที่เราถือว่าเป็นของเรานี่เองซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วถ้ามันเป็นของเราเราไม่ต้องไปดูแลรักษามันหรอกมันก็ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆ ของอะไรที่มันจะอยู่กับเราเราไม่ต้องไปดูแลมันหรอกอย่างใจเนี่ยเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องดูแลมันมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไปสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจด้วยการไปวุ่นไปหวงไปรักไปสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราพอมันพอมันไปมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายใจเอานุ้มลูกพี่ไม่อยู่แล้วเหร <Yeah. S 1> อนะไปแล้วเหร <Yeah. S 1> อกอ มาช่วยตั้งระบบให้มีคำถามของทาง YouTube มีไหม ย, ยังไม่มีค่ะอยู u ูบเข้ามา ก, กี่คนนะสามสิบแปดค่ะส8สิบแปดแล้วทาง Facebook เท่าไหร่สามร้อยสิบสามค่ะเฟซบุ๊กนี้เยอะไม่มีใครส่งคำถามเข้ามาเลยเหรอยูทยังไม่มีแต่ Facebook มีแล้วค่ ะ, ะก็อ่านไปสิอพะตอนนี้ก็ไม่มีใครที่นี่อยากจะถามอะไรวนะคำ ถ, ถามจากคุณกรลวี การนั่งสมาธิครั้งละ45นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะสักพักค่อยนั่งใหม่อีกเพราะนั่งทีละ 2-3 สมชั่วโมงไม่ได้มันมันทนเจ็บไม่ได้สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่คะ่ะเ ค, คเวลานี่ความจริงมันจะนั่งนานไม่นานนี้มันอยู่ที่สงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบมันก็จะนั่งได้นานเองเพราะว่าเวลามันสงบมันจะรู้สึกสบายแต่ถ้านั่งแล้วไม่สงบนี่มันจะรู้สึกทรมาน แต่ก็ต้องบังคับให้นั่งไปนานๆก่อนเพื่อที่จะได้ให้มันสงบเพะฉะตอนต้นมันอาจจะไม่สงบมันก็จะทรมานแต่ก็ต้องนั่งเพื่อที่จะได้ควบคุมให้มันสงบไปได้แต่ต่อไปพอมันสงบแล้วนี่มันจะนานเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกทรมานใจมันจะมีความสุขในเบื้องต้นตอนที่เรา ย, ยังฝึกยังทําให้มันสงบไม่ได้ก็พยายามนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะจะนั่งได้ พอเรานั่งไม่ได้เราก็ลุกขึ้นมาเจริญสติต่อลุกขึ้นมาเดินแล้วก็มาพุทโธพุทโธต่อพอเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ต่ออันนี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตลอดเวลานะ mm hmm. คือเป็นมืออาชีพ mm hmm. พวกมือสมัครด้วยนี่ mm hmm. เขาก็นั่งแค่วันละชั่วโมงวันละครั้งสองครั้งนี่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไร พอนั่งน้อยแต่พวกที่อยากจะปฏิบัติทั้งวันเนี้ยก็ต้องสลับกันนั่งไปให้นานพอทนนั่งต่อไปไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินเดินก็ให้มันนานเดินเเดินยังกระทั่งมันไม่อยากจะเดินก็กลับไปนั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปไม่ให้ไปทำอย่างอื่นถ้าไปทำอย่างอื่นแล้วใจจะไม่สงบถ้าทำแค่สองอย่างนี้เดินกับนั่งแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมันก็จะสงบ คำถามจากคุณคัชชลีถ้าเรามีความทุกข์แต่ต้องปล่อยทุกข์โดยการร้องไห้ถือว่าผิดไหมเจ้าคะถ้ามันร้องไห้เราดับความทุกข์ได้ก็ล้องไปแต่ต้นเหตุของความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่การร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราพอเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็ร้องไห้ร้องไปเท่าไหร่มันก็ไม่หายทุกข์ เราอยากให้สิ่งที่เราเสียไปกลับมาทีไรเราก็จะร้องไห้ทุกทีคำ ถ, ถามจากคุณชารสํสำหรับคนป่วยที่ต้องนอนติดเตียงหรืออยู่ในอริยบทนอนเยอะเพราะมีอาการวิงเวียนปวดหัวเป็นประจำพระอาจารย์แนะนำการภาวนาอย่างไรเป็นพิเศษคะถ้าป่วยก็ภาวนาได้ก็พุโทโธไปพุโทโธไป ถ้ามันหลับก็ยังดีดีกว่าตื่นตื่นแล้วมันทรมารก็ปล่อยให้มันหลับไปถ้ามันเป็นสมาธิใจก็จะสงบก็มีความสุขก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเวลาเป็นอะไรนี่ก็ยังสามารถภาวนาให้ยังพุโทโธได้อยู่ก็พุโทโธไปคำถามจากคุณโทมิ เมื่อตายจิตปิดผึงออกจากร่างกายไปตามอํานาจบุญกรรมถ้าเช่นนั้นพิธีกรรมงานศพต่างในปัจจุบนันในวัดทั่ ว, วไปแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นเพียงประเพณีและที่เผาศพเท่านั้นใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์ที่คนเป็นนานๆจะได้ทําบุญสทัทีถ้าไม่มีคนตายก็ไม่อยากจะทําบุญกันใช่หไหมพอมีคนตายก็เลยได้ทําบุญกันประโยชน์อยู่ที่คนเป็นไม่ได้อยู่ที่คนตาย คนตายนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าคนตายนี่จะมันอยู่ภายใต้อำนาจของบุญกรรมพาไปแล้วนอกจากว่ามาเป็นขอทานเท่านั้นคือมาเป็นเปรตนี่ก็จะได้รับส่วนบุญที่คนเป็นทําให้ส่งไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นเปรตก็ไปเกิดตามภูมิต่างๆอาจจะไปเป็นเดรัจฉานอาจจะไปอยู่ในนรกถ้าบาปพาไป ถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่แหละมีโรงแรมระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวถ้ามีเงินมากมีบุญมากก็อยู่โรงแรมห้าดาวได้อยู่สวรรค์ชั้นห้าดาวได้ถ้าทำบุญน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวเดียวนี่คือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นที่ท่องเที่ยวของใจโวนนรกก็เป็นที่ไปใช้กรรมไปที่ไปติดคุก ใช้กรรมพอไปฆ่าเขาว่าไปทำบาปไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอืน่นตายไปก็ต้องไปใช้กรรมพอหมดทุกข์หมดบวดกรรมหมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยพวกเราตอนนี้หมดกรรมแล้วไปใช้บุญใช้บาปกันหมดแล้วก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหมเาเดี๋ยวตายไปบุญกับบาปก็หนึ่งใบอีกนะ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องมาวิปัสสนามานั่งสมาธิมาตัดความอยากที่เป็นตัวชุดรากให้เราไปเกิดพอไม่มีตัวชุดรากไปมันก็ไม่ไปมันก็จะอยู่ที่นิพพานที่ไม่ไปเกิดก็เรียกว่าที่นิพพานถ้าพูดง่ายๆเปรียบรถยนต์ก็คือเกียร์ว่างรู้จักเกียร์ว่างนะเกียร์ว่างนี้เหยียบคันเร่งเท่าไหร่มันก็ไม่วิ่งในชะ่ไหมแต่ถ้าเข้าเกียร์ เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังพอเหยียบคันเร่งมันก็พุทธไปเลยฮนะนั่นแหละถ้าเราทําถ้าเราตัดความอยากหมดก็เหมือนเราปลดล็อกความอยากก็คือเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังอนะ่ะอยากได้ก็เป็นเกียร์เดินหน้าอยากไม่ได้ก็เป็นเกียร์ถอยหลังฮะอยากได้เช่นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าเข้าเกียร์เดินหน้าลนะไปหามันลนะถ้าอยากไม่ได้ก็คือเข้าเกียร์ถอยหลังฮนะอยากไม่ได้ เจอสิ่งที่ไม่ชอบนี้มันก็พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เข้าเกียร์ถอยหลังหนีแล้ว ใ, ใจตอนนี้มันมีเกียร์อยู่สองเกียร์มันไม่มีเกียร์ว่างถ้าเราเอาใจเราเข้าไปใส่ในเกียร์ว่างมันก็จะไม่ไปไหนต่อไปได้เห็นอะไรก็เฉยเห็นอะไรชอบก็เฉยเห็นอะไรชังก็เฉยถ้าอยู่ในเกียร์ว่างมันจะเฉยเฉย มันก็ไม่ไปเกิดเพราะไม่มีเหมือนการรถอะถ้ารถเข้าเกลี่ยว่ามันก็วิ่งไม่ได้ใจเราถ้าเข้าเกลี่ยว่างมันก็วิ่งไม่ได้วิธีเข้าเกลี่ยว่างก็คือต้องกําจัดความอยากให้หมดความอยากได้ความอยากไม่ได้เนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราไปเกิดอยู่เรื่อยๆอถามเลยคำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราชอบคิดมากอะไรอะไรก็คิดต้องแก้อย่างไรครับ ก็ให้พุทโธหยุดมันพุทโธนี้เป็นตัวเบรกความคิดได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ต้องมังคับให้มันอยู่กับพุทโธให้ได้ใหม่ๆมันจะไม่ยอมอยู่มันจะชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเห็นโทษของความคิดว่าคิดแล้วมันทำให้เราวุ่นวายใจแล้วเราเรามาพุทโธพุทโธดูแล้วเราจะเห็นว่า พอเราพูดโธไปอย่างต่อเนื่องความต่างๆก็จะหายไปแล้วเราก็จะสบายใจคำถามจากคุณทวิชัยทำอย่างไรจะให้เรามีความรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาคะกนี้คใพูดโทตลอดเวลามันก็จะตื่นตลอดเวลาคำถามจากคุณพินแทน ภาวนาไปสักพักพอรู้สึกตัวว่าจะถูกดูดหล่นลงไปทำอย่างไรให้ใจมันยอมถูกดูดง่ายๆใจยังรู้สึกกลัวตลอดเพราะจะหวิวๆเจ้าค่ะอย่าไปสนใจพอเกิดความรู้สึกนั้นก็ให้อยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าไปสนใจมาแล้วมันจะไม่ลงคนะาถามจากคุณแมน การทำภาวนาบางครั้งมืดลงไปสงบแต่มืดลงไปควรทำอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจมันจะมืดจะสว่างไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่กับการภาวนาของเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปคาถามจากคุณคิงนภาการสวดมวนต์ตัดกรรมได้ไหมคะถ้าเรานั่งสวดมนต์เราก็จะไม่ไม่ได้ไปทำอะไรมันก็ตัดได้ กรรมเก่าตัดไม่ได้แต่ตัดตัดกรรมใหม่ได้ถ้าเราไม่นั่งสวดมนต์เดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นไพ่ก็ได้ไปนั่งกินเหล้าก็ได้หรือไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้หรือไปขโมยท้าวของเขาก็ได้แต่ถ้าเรานั่งสวดมนต์มันก็ไปทํามไม่ได้กรรมเก่านี่เราตัดไม่ได้ล้างไม่ได้ลบไม่ได้ทําไปแล้วต้องรอพื่รับผลเหมือนเหมือนไปยืมเงินเขาแล้วจะมาบอกว่าขอยกเลิกไม่ยอม ไม่อยอมจ่ายเงินคืนไม่ได้เป็นหนี้เขาแล้วก็ต้องใช้หนี้เขาเจ้านี้ไม่ไม่มีเจ้าหนี้คนไหนเข้าใจดีบอกว่าไม่ต้องใช้หนี้เราหรอกชั้นใดเราไปทําบาปไปแล้วทํากรรมไปแล้วมันลบไม่ได้สิ่งที่เราลบได้กันได้ก็คือบาปใหม่กรรมใหม่เราอย่าไปทําใหม่มันก็จะไม่มีผลแต่กรรมเก่านี้ต้องรอรับผลละ ว, วิธีที่จะรอรับผลอย่างไม่เดือดร้อนก็คือทําบุญเยอะ เพราะว่าการทําบุญเยอะๆเหมือนกับการไปเอาเบาะมารองไว้ที่ที่ที่เวลาคนจะกระโดดลงมาจากตึกเนี่ยถ้ามีเบาะหนาๆรองอยู่เวลากระโดดลงมามันก็จะไม่เจ็บบาปกรรมของเราเวลาเกิดขึ้นกเหมืนอนกับเราก็ลงถูกถีบลงมาจากบนตึกตึกสูงเนี่ยถูกผลักลงมาจากตึกสูงแต่ถ้าเรามีเบาะรองอยู่ข้างล่างมันก็จะไม่เจ็บ ถ้าเราทำบุญเยอะๆเวลาข้อกรรมเกิดขึ้นเราจะไม่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะรับกับมันได้อย่างสบายาไม่เป็นไรใช้ทำเขาแล้วก็ต้องใช้เข้าไปเช่นเขามาเอาของคืนไป เ, เราเคยรักทรัพย์ของคนอื่นอันนี้เราก็เลยต้องถกถ้าเราเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทำบุญอยู่เรื่อยๆ เวลาเสียทรัพย์ไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้ใช้หนี้ไปแต่ถ้าไม่ชอบทําบุญไม่ทําบุญอะไรเนี่ยเวลาเสียเงินสักบาทอย่างนี้โอ้โหเดือดร้อนมากเสียใจมากแคลนมากเพรหวงมากฉ <c oughs> ันต้องพยายามทําบุญให้มากๆแล้วเวลามข้อกรรมอะไรต่างๆมันก็จะเสียหายไปแล้วแบตหมดหรือเปล่าหรือว่าเหมืนอนเหมือน มันขึ้นขึ้นลงลงน ะ, ะ, ะมีคำถามอีกไหมมีค่ะคำถามจากคุณอภิสิทธิ์การฝึกสติอยู่กับปัจจุบันจะทำอย่างไรครับก็การใช้คำบริกรรมพุทโธก็เป็นอย่างหนึ่งหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นอีกอย่างเฝ้าดูตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้ใจไปที่อื่นเลยให้ใจเฝ้าดู อยู่ที่เรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวใจก็จะอยู่ในปัจจุบันได้คําถามจากคุณขอตามเธอไปหนูพิจารณากายคตามาพอบ้างสมควรเคยเขียนมาถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาตอบให้ว่าเรามีอาวุธแล้วก็ให้เอามาใช้ในเวลาที่การมราค ะ, ะาเกิดขึ้นหนูจึงเอามาใช้โดยพิจารณาตัวเองเป็นอสุพะ แล้วเพ่งมองลงไปที่ใจตัวราคามันดับไปจริงๆค่ะหนูก็ไม่แน่ใจจึงทำซ้ำใหม่อีกหลายครั้งเหมือนกันปรากฏว่าตัวราคามันดับไปจริงๆทุกอย่างรวดเร็วทุกครั้งหนูจึงอยากกลับขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าวิธีนี้ทำถูกต้องแล้วไหมคะถ้ามันดับก็ถูกแล้วแต่เพ่งแต่ว่าเราก็ต้องไม่เลิกทาก็ต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเกิดเกิด เวลาเกิดการมาราค้าขึ้นมาทีลายก็ต้องใช้วิธีนี้ดับมันไปทุกครั้งคำ ถ, ถามจากคุณธิลาพลในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองด้วยการนั่งสมาธิอย่างเดียวกำหนดลมหายใจพิจารณากายและกำหนดรูออ้อริยบทและลมหายใจขณะทำงานจำเป็นหรือไม่ต้องเดินจงกรมก่อนการนั่งสมาธิควบคู่ไปด้วยครับอ๋อไม่จาเป็นหรอก การเดินจงกรมนี่มันเป็นเรื่องของคนที่เขาปฏิบัติต่อเนื่องหลายชั่วโมงเวลาเขานั่งไปนานๆเขาเมื่อยเขาก็ลุกขึ้นมาเดินเขาเปลีนน่ยนนิรยาบนแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพออยากจะมานั่งสมาธิก็นั่งได้เลยนอกจากถ้ามันนั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแทนเพราะว่าถ้านั่งหลับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงก่อน พอหายงงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่เพราะท่านั่งนี่มันสําคัญกว่าท่าเดินถ้าต้องการความสงบนี่ต้องอยู่ในท่านั่งมันถึงจะสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าอยู่ในท่าเดินมันจะไม่สงบอย่างเต็มที่คําถามจากคุณเสริมทักเวลาทํากับข้าวไปทําบุญที่วัดกับข้าวเยอะพระไม่ได้ฉันกับข้าวของเราญาติที่ร่วงนับจะได้กินกับข้าวเราไหมครับได้เพราะว่า กับข้าวนี่มันจะแปลงเป็นบุญไงแล้วบุญมันอยู่ที่ใจของเราแล้วเราก็ส่งบุญที่อยู่ในใจของเราไปให้กับญาติเขาญาติเขาไม่ได้กินข้าวแล้วเพราะเขาไม่มีร่างกายเขาไม่ได้กินกับข้าวแล้วเขาต้องกินบุญแทนเหมฉอนกับถ้าเราส่งเงินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราส่งเงินบาทไปเขาก็กินไม่ได้เขาคนอยู่ต่างประเทศเขาต้องใช้เงินดอนเราก็ต้องไปเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินดอนแล้วก็ส่งไป งเงินบาทไม่ได้ไปเงินที่จะไปต่างประเทศคืคอเงินดอนเย่นงใดเงินที่จะไปอาหารที่จะไปในโลกทริปนี้ไม่ใช่กับข้าวกับปลาที่เราทําแต่บุญที่เกิดจากการที่เราสละกับข้าวกับปลาให้กับพระไปให้กับใครไปพระไม่กินคนอื่นกินมันก็เหมือนกันเราก็สละไปแล้วเราได้บุญแล้วเราได้แปลงกับข้าวกับปลาให้มาเป็นบุญแล้วเป็นอาหารทริปแล้ว บุญนี่คืออาหารทิพเราจะส่งอาหารให้คนที่อยู่ในโลกทิพตต้องส่งอาหารทิพไปอาหารทิพก็คือบุญที่เราทาจากการทำบุญทําทานของเราดังนั้นไม่ต้องกงังวลถ้าทำแล้วเดี๋ยวคนที่เขารอรับเขาก็จะได้รับคำ ถ, ถามจากคุณดิวลี่ผมทำงานกลางคืนในสถานบังเทิงมีข้อละในศีลว่าไม่ขับร้องไม่บรรเลงเพลง มันเป็นหน้าที่การงานผมยังจะสามารถถือสิงแปดได้ไหมครับก็ถือได้เฉพาะข้อที่เราถือได้ข้อนี้เราก็ต้องถือไม่ได้ข้อเเราเรายังไม่เลือกร้องนำทําเพลงไม่อยู่ตามแหล่งสถานบันเทิ ง, งต่างๆเรายังเสพเสพความสุขทางตาหูจมูกเล่นกลอยู่ก็รักษาได้แค่7ข้ อ, ข, อข้อ7นี่ก็รักษาไม่ได้ คำถามจากคุณจีราศรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาณในการพิจารณาทางด้านปัญญาจําเป็นไหมครับว่าต้องเริ่มพิจารณาเรียงจากลำดับรูปเวทนาสัญญาสังขา <c oughs> งรปัญญาณเป็นไปตามลำดับหรือไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับครับก็เมันมีสองลำดับคือรูปก่อนแล้วก็เวทนาสัญญาสังขาร มันจะมีสอ ง, สองตอนตอนต้นก็พิจารณารูปคือร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราปล่อยวางร่างกายได้เราก็มาพิจารณาเวทนาเว ท, น า, วทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าปล่อยวางเวทนาได้ก็ถือว่าปล่อยวางสัญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมๆกันเพราะมันมาเป็นพวงเดียวกันเหมือนกับเราไปตัดกล้วยจากยวงเนี่ย เวตัดกล้วยมามันก็เอามาทั้งยวงเลยดงั้นถ้าเราปล่อยวางเวทนาได้เราก็จะปล่อยวางสัญญาสังขารวิญญาณได้เพราะมันทํางานร่วมกันคําถามจากคุณปอการนั่งสมาธิอ่านเจอว่าต้องปิดทวารทั้ง6แต่ทําไมบอกว่าสามารถนั่งสมาธิแล้วฟังธรรมได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเราใช้ธรรมก็เราก็เปิดเพียงทวารเดียวคือทวารทางหู แล้วก็ให้ธรรมเข้ามากล่อมใจเราได้ธรรมนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจธรรมเป็นเหมือนยานอนหลับเป็นยาที่ทําให้ใจสงบดังั้นเวลาฟังธรรมเราก็เปิดทวารหูไว้เพื่อเราจะได้ใช้ธรรมเป็นตัวกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบเพอบางทีเรานั่งแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมใจของเราเองได้ให้มันอยู่พุทโธมันก็ไม่ยอมอยู่มันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แต่พอเราฟังทำรรใจเราก็คิดไปกับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมันก็จะทําให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณไก่เวลาเดินกําหนดพุโทโธที่ไหนครับกําหนดที่จิตภาวนาไปเรื่อยๆหรือกําหนดที่ความรู้สึกที่เท้าซ้ายขวาครับได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยู่ที่คําว่าพุโทโธได้อยู่ที่จิตได้ก็อยู่ตรงนั้นไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้อยู่ที่เท้าก็ได้ เวลาเดินก้าวเท้าไปก็ว่าพุทโธซ้ายขวาซ้ายขวาไปได้ทั้งสองอย่างคาถามจากคุณสวัสด์จิตเมื่อออกจากร่างถ้าไปถูกลงโทษในนรกจะรู้สึกเจ็บปวดไหมครับเพราะไม่มีร่างกายแล้วเจ็บเสีษขนาดที่ยังไม่ตายก็เจ็บแล้วเวลาที่เราทุกเนี่ยเวลาใจทุกเนี่ยถือว่าเราใจเราไปรับโทษแล้ว เวลาเจ็บจนกระทั่งร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเฉยๆแต่เสียอกเสียใจระทมใจเนี่ยแสดงว่าใจกํลังรับโทษของกรรมที่ทำไปลปนะก็เรียกว่าตกนระกทั้งเป็นไงใจนี้ไปแล้วนะเป็นหรือมนเป็นนี่ไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกา ย, ยพอไปทำบาปมัน mm hmm. ไปแล้ว ไปเป็นเดลชานบ้างแล้วไปเป็นเปรดบ้างแล้วไปตกนรกบ้างแล้วพอเวลาทําบุญก็ไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้แล้วทั้งๆที่ยังมีร่างกายอยู่คำถามจากคุณลูกถ้าได้ทําบาปไว้เราต้องได้รับผลทุกๆบาปที่ทําหรือคะแน่นอนเป็นแต่ว่าช้าหรือเร็วท่านนั่นเอง คำถามจากคุณสมัยจิตรวมกายหายลมมีแต่สติแล้วต้องทําอย่างไรต่ อ, อถ้ายังลมมีกายยังหายได้ไงลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายก็ดูลมต่อไปลมต้องหายไปด้วยหือแต่จิตตัวเดียวหรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวถึงจะเรียกว่าสงบเต็มที่ถ้ายังมีกาย ย, ยังมีลมอยู่ก็ยังสงบไม่เต็มที่ คำถามจากคุณพี่ลงลงรู้สึกเบื่อหน่ายการงานวันทั้งวันอยากจะนั่งแป่ภาวนาสวดมนต์ทั้งวันพอว่างก็อยากหาเวลานั่งสมาธิใช้เวลาคนอยู่เดียวอยู่คนเดียวผิดปกติไหมคะมหรว่าความอยากหรือเปล่าคะไม่ผิดรอกความอยากนี่เป็นความอยากดีเหมือนคนที่อยากจะกินข้าวนี่ถ้าถึงเวลากินร่างกายหิวก็ต้องให้อาหารมันมันถึงใจอิ่ วาาขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเรานอ น, อนทําสมาธิพอพอตัดร่างกายจิตเริ่มสงบเหมือนเหมือนกับมันมันจะมันจะดับค่ะคราวนี้จิตมันชอบพุ่องออกไปข้างนอกอะเราหมายถึงว่าเราขาดสติหรือจะมีะวิยังไงคะก็ต้องใช้สติ ด, ดึงกลับเข้ามาใช้พุโทโธพุโทโธดึงเข้ามาแล้วมีวิธีป้องกันไหมคะก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อย เวลานั่งสมาธินอนสมาธิก็พุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งโดยไม่มีอะไรกํากับใจซึ่นใหญ่จะจะเป็นช่วงที่ที่เราเวลาก่อนนอนแล้วเราทําสมาธิอะค่ะเอ่านั่นแหละถ้าทําแบบนั้นมันก็จะต้องมีของอะไรนี้แปลกแ ป, กแปกขึ้นมาเขาถึงไม่ให้นอนสมาธิกันให้นั่งสมาธิกันพอจิตดับวูบแล้วจิตมันจะพุ่งปูดถอยนอนถ้ามันเป็นอย่างนั้ก็ต้องปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจกับมันแล้วมันจะมีโอกาส ไมม่กลับาอ๋อไม่ไปแล้วมันเป็นตัวอาการเท่านั้นองตัวจิตยังอยู่ที่เดิมอยู่มันเพียงแต่สร้างภาพหลอกเราเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจิตจริงๆค่ะสังเกตดูว่าตอนมันออกไปใหม่ๆมันจะมีกําลังพุ่งไปแรงมากและสูงมากแต่พอมันหมดกําลังแล้วมันก็จะหลี่ลงหลีลงแล้วมันก็กลับมาเข้าล่างนะคะอ่ามันไม่ได้ออกไปหรอกมันเพียงแต่สร้างความรู้สึกว่ามันออกแล้วเข้าท่านั้นเอง โยมนองก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่คราวนี้ต้องเอาเอาสติกลับไว้ตลอดอ่าอล้วก็คุยต่างนะจอมโดยสติถ้าสมมติว่าเราไปตามร้านอาหารเนี่ยแล้วเราเป็นของตายแล้วก็ไม่บาปถ้ายังของเป็นอยู่ก็บาปแต่เราเราไม่รู้อะเราไม่รู้ก็ไม่บาปถ้าเราไม่ไปชี้ว่ากุก้งเขากุ้งตัวนี้นะที่ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยบางร้านก็มีที่เราไปเลือกตัวที่มันยังเป็นอยู่ถ้าไปชี้อย่างเงี้ยบาป ถ้าเราเรารู้สึกว่าร้านนี้ดูเหมือนว่าของจะสดอย่างนี้แต่เราไม่เราเราไม่รู้เข้อมาลไหนก็ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้สั่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นบาปของเขาเองแต่เราเหมือนรู้สึกว่าร้านนี้นาจะสดเลยอ่าถ้ า, างงี้ก็อย่าไปกินก็แล้วกัน <laughs> ถ, ถ้ากลัวบาปก็อย่าไปกินไปเปลี่ยนร้านอื่นไปกินที่เราแน่ใจาว่าเป็นของตายแล้ว มีอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าสมมติว่าบ า, บางคำถ้าเราพูดไปแล้วมีการทะเลาะบาแว้งกันแล้วก็กลับกันโดยที่ว่าเราพูดโกหกนิดนึงแต่ว่าเจตนาว่าให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยดีจะผิดศีลข้อก็ผิดเนี่ยโกหกมันก็ผิดเนี่ย ก็แต่ว่าเจตนาของเราเพื่อไม่ให้ไม่ให้เขาทะเลาะกันถ้าจําเป็นต้องพูดอย่างเนี้ยค่ะก็ไม่พูดไม่ได้เลยบางครั้งเฉยไม่ได้ก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปเลยเขาอยากจะทะเลาะก็ทะเลาะกันถ้าเราอยากจะรักษาศีลเราก็อย่าไปพูดก็มาตอนคืนผมมีรับจ็อบเล่นดนตรีไงครับ อในเด็กในผับแต่ว่าไม่แช่อายุชีพผักนะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนไปสร้างความสุขให้เขากินเหล้ากินเบียร์ใช่ไอมแต่ว่ามันเป็นอาชีพเสริมของผมเงียอ่แต่ว่าผมก็ไม่ไม่กินเมาถ้าเราไม่กินก็ไม่เสียหายตรงไหนเหมือนแบบอไปเขากินกันเรื่องของทำตัวทาให้เขามาเมาไหมเราเราไม่ไปเราไม่ไปเขาก็กินอยู่ดีเราไม่เกี่ยวใช่ไหมเราไปไม่ไปเขาก็กินอยู่ดี ไม่บาปยิ่งแต่เวลาที่ที่มันช่วยส่งเสริมให้คนเขาทำทำบาปกันให้เขาเดือดนชั่วร้ายกันไม่มีบาปแต่ตัวเราไม่บาปถ้าเราเลี้ยกอาทีพนี้ได้ก็ดีเหมือนไปร้องเพลงไปร้องเพลงให้เด็กพิการฟังเรื่องอะไรนี้ให้ความสุขกับเขาานี้ได้แต่อย่าไปร้องเพลงให้คนเขาดื่มเหล้ากัน แต่เราไม่บาปแล้วอาชีพมันเพลงเดีอาชีพ ท, ที่ไปส่งเสริมให้คนทําบาปแต่เราก็สามารถทําให้มันส่งเสริมให้คนทํามีความสุขได้เช่นเราไปร้องเพลงให้เด็กให้โรงเรียนสถานที่อะไรที่เขาไม่ดือดร้อากันก็ได้นะ <Yeah. S 1> ทําแบบนั้นก็ได้อาชีพร้องเพลงมันก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่มันผิดหรืถูกมันเหมือนมีดอะมีดนี่มันอยู่ที่การใช้ว่าจะใช้ใช้ในทางไหน ใช้ไปฆ่าฟันคนก็ได้ใช้ไปตัดผักตัดอ่าตัดเนื้อตัดอะไรทําอาหารก็ได้อยู่ที่การใช้ทนั้นเองว่าครบสบายใจอ <c oughs> สบายใจคือ <c oughs> เราอย่าไปดื่มกับเขาว่าแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่ร้องไปเดี๋ยวเ <c oughs> ขาเขายกมาให้เราเนี่ยนิน้ดๆเลยนินด้ <c oughs> นดนดก็บาปแล้วเลยผิดข้อข้อสุราแล้ว มันนิดหนึ่งแต่มันก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนต้นค็นิดหนึ่งไม่มีใครเดื่มที่ตั้งกวนหรอกแ ผ, ผมเคยเนี่ยอาจารย์เคยไปเห็นลูกหมูที่เขาจะทํากับข้าวครับแล้วผมไปไปซื้อมาสองตัวเพื่อจะมามาปล่อยฮะอะเตรทามาปล่อยแล้วทีนี้เขาก็ใส่กระสอบไหมผมตายในกระสอบแล้วมันตายในกระสอบตัวครับ มก็มามหรือเปล่าครับไม่เด้เป็นของเราแล้วถือว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเราช่วยมันแล้วแต่มันก็ยังไม่รอดเออไอตัวหนึ่งมันรอดก็แสดงว่ามันอ่มันยังไม่ถึงข่าวกรรมยังตามมันไม่ทันมันก็รอดแต่ทางที่ดีเราควรที่จะมีความรอกข้อบ้างว่าเวลาเอามาแล้วจับมันอยู่ในนั้น มันจะหายใจได้หรือเปล่าเราก็โกลนจะคิดบ้างไม่มันไม่งั้นลูกหมูมันวิ่งน่ะก็นั่นแหละก็หาใส่ในที่มันมีลมหายใจหายใจสะดวกห น, น่อยสิฮะโกง <laughs> ครัฮะรู้ท่าไม่ถึงอ่าเขาไม่ไม่บาปไม่ถึง <c oughs> เราไม่มีเจตนาไม่บาป เ, เ, เรามีเจตนาจะช่วยเขา <c oughs> แต่ความไม่รอบคอบของเราเลยทําให้เราช่วยเขาไม่ได้แล้วอีกเคสนครับผมอ่าปล่อยปลาแต่มันตัวเล็กหน่อยครับ พอปล่อยปุ๊บปลาใหญ่มันฮุกบุ๊กกรมนะครับลบกระบามะไม่บางไม่บางบาปที่ปลาที่ไปกินผมปล่อยเสร็จปุ๊บมันฮุกบุ๊กเลยวันนั้นก็คอยดูก่อนเลยวัเราจะปล่อยเดอ๋ยสังเกตดูหน่อยว่ามีมีมีปลาตัวหน่งมารอกินหรือเปล่าก็รู้จี๊ก็ปล่อยส้มันกินเลยอะถ้ากินแล้วก็ช่อไม่ได้ก็ถืว่ามันเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเราเราเจตนาเราดีแล้วเราทาบุญแล้ว แต่ช่วยมันไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้เราอย่าไปเสียใจเสียใจก็เสียใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียใจอยู่งั้นก็เสียใจก็ไปซื้อตัวใหม่มาปล่อยจะปล่อยซ้ำแต่ตัวมันโดนกินก็ไปเปลี่ยนที่ปล่อยก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องตายะตายวันนี้แล้วไม่ตายพวกนี้มันก็ต้องตายถ้ามันอยู่ต่อไปมันก็อาจจะไปกินตัวอื่นมันก็พอกันแหละ ทาไม่ทําเขาเขาถ้าไม่ถูกก็ทํามันก็ไปทำเขาต่อใช่ไหมมันก็ต้องไปกินปลาเลยก่อนมันใช่ไหมมันถึงจะอยู่ไดน้นี่นเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้หละ่ะงั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเลือกวิถีชีวิตของเขาเราเพียงแต่มาช่วยเขาตอนที่เขาจะตายแร้วช่วยถ่ายชีวิตให้เขาเท่านั้นอันนั้นเป็นการกระทําที่ดีแล้วละ่ะส่วนเขาจะไปต่อจะรอดหรือไม่รอดเขาจะไปทํากรรมต่อหรือไม่ทํากรรมต่อ น, นี้เป็นเรื่องของเขาแล้ว แล้วอี ก, อ ก, กทางนึงอ่าถ้าสมมุติเราซื้อปลาตัวใหญ่หนึ่งตัวกับซื้อปลาตัวเล็กๆที่เขาขายตามถนมนนะครับแต่เรามีเจตนาแบบไม่อยากให้มันอยู่ในถงุงนะซื้อมาปล่อยสักสมมุติว่าร้อยตัวเนี้ยอ่า น, นี่สงจะจะปล่อยปลาตัวหนึ่งกับร้อยตัวมันอ่าก็ร้อยชีวิตร้อยชีวิตกันหนึ่งชีวิตนะครับอ่าร้อยชีวิตมันก็มากากว่าหนึ่งชีวิตอันนี้สงก็ปล่อยลูกมา ปล่อยนกป่าก็จะได้ช่วยชีวิตมากกว่าปล่อยป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเรายังจริ้งหรีดนี่ได้ไหครับได้ทั้งนั้นเลยลได้ได้ทั้งนั้นถ้ามีสิ่งที่มีชีวิตได้จะถูกเกาฆ่าแล้วเราไปถ่ายชีวิตให้เขาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีมีคุณค่าต่างกันคือคุณค่าคือความประโยชน์ของมันมีความต่างกัน ถ้าเราช่วยสัตว์ที่มีชีวิตมีคุณค่าประโยชน์มากก็จะได้ประโยชน์เช่นเราไปถ่ายวัวถ่ายควายถึงแม้ถ่ายตัวเดียวแตม่มันมีคุณค่ามากกว่าไ ป, ไปถ่ายจิ้งหรีดน้อยตัวเพราะวัว น, นี่มันทำประโยชน์ได้มากกว่าจิ้งหรีดร้อยตัวมันก็มีอะไรหลายอย่างแตก่ก็อย่าไปวัดมันเลยนะคิดคิดว่าเราช่วยได้ก็ช่วยไปก็แล้วกัน คิว่าชีวิตจริงหรีดมันก็รักเหมือนกับชีวิตของวัวของควายเหมือนกันจริงหรีดมันก็ดีใจวัวมันก็ดีใจไหมกันแต่ว่า ว, วัวมันอาจจะอยู่ได้นานกว่าจริง้งหรีดมันอาจจะเดูอได้แค่เดือนหนึ่งมันก็ตายแล้วหมนแล้วเหลอมีอะไรก็อะจะถามเยอะ <c oughs> ไ, ม, ไ ม, ม่เวลาก็ถามไปมีเวลาเนี่ยจนถึงสี่โมงคนอื่นถามมา ถ้าาไมม่่ีก็บนตอคำถามจากคุณสุ ธ, ธันรรมาคําว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือกรรมของใครของคนนั้นแต่คําว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงกรรมของญาติญาติเราต้องมีกรรมด้วยหรือคะ อ, อ๋อไม่ใช่คําว่าเผ่าพันธุก็คือกรรมนี้เป็นพันุ์ของเราเราทําบาปเราก็จะได้ผลของบาปเราทําบุญเราก็จะได้ผลของบุญพันธุ์ของเราก็คือ ถ้าเราทำบุญเราก็ได้เป็นเทวดาเผ่าพันธุ์ของเราคือเทวดาเพราะบุญนี้จะทําให้เราได้เป็นเทวดาถ้าเราทําบาปเผ่าพันธุ์ของเราก็เป็นเดาชะฉาน <Yeah. S 1> เราก็จะได้เป็นเดาชะฉาน mm hmm. คําว่าเผ่าพันธุ์หมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่หมายถึงพี่น้องญาติพี่น้องชื้ออะไรของพวกเราเะนั้นไม่เกี่ยวกันคําว่ากรรมเป็นเผ่าพันธ์ก็คือกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นอะไรกัน ถ้าถ้าบุญก็มันก็จะทำให้เราเป็นเทพเป็นเผ่าพันธ์ก็ทำบุญก็จะได้เป็นเผ่าพันธ์ของเทพทำบาป ก, ก็ได้เผ่าพันธ์ของเดลชาดหมดแล้วเหรอนี่อีกค่ะคำถามจากคุณย่านั่งสมาธิจิตลงกายหายเหลือแต่ผู้รู้จะรักษาตัวผู้รู้ได้อย่างไรครับก็รู้เฉยๆให้มีสติ ป, ประครับประคองไว้อย่าปล่อยให้มันคิดถ้าคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมัน แล้้วก็จะออยยู่ไไ่ไไไปปดเรืคําถามจากคุณสละ อ, อหนูนั่งสมาธิบางทีก็มีกลิ่นหอมหนูนั่งต่อไปจนรู้สึกว่าจิตสงบพอออกจากสมาธิมาหนต้องทําอย่างไรต่อคะก็ไปทําอะไรต่อ ท, ที่เราต้องการจะทาถ้าเรามไม่ไม่ไม่ต้องไปทํางานทําการเราก็จะมาเดินจงกรมต่อก็ได้มันเจริญพุทโธเจริญสติต่อ หรือเราจะมาเจริญปัญญาก็ได้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องปล่อยต้องวางมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทุกข์เนี่ยให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางได้เพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์พอรู้ว่าทุกข์เกิดจากการไปรยึดไปติดของที่ไม่ใช่เป็นของเราของที่ไม่เที่ยงเราก็ปล่อยวางไป พอปล่อยวางไปเราก็จะหายทุกข์คำถามจากคุณนายิกาทําไมเดี๋ยวนี้จิตมันเฉยเฉยทำบุญก็รู้สึกเฉยเฉยเมื่อก่อนปิติมากค่ะเพราะว่ามันทําบ่อยๆเข้ามันก็คงจะชินชินแล้วมันก็เฉยเฉยก็ไม่เสียหายตรงไหนใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นมันก็เลยปิติพอมันทําบ่อยๆเข้ามันก็ชินพอมันชินแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้น เวลาเราได้ของใหม่ๆ ม, มานี่เรามักจะตื่นเต้นมีปิติกันพอใช้มันไปทุกวันทุกวันมันก็หายเต้นแล้วใช่ไหมเนี่ย mm hmm. เวลาได้เครื่องใหม่มาทีโทรศัพท์ของใหม่ออกมานี่ตื่นเต้นไงนะเปิดกล่องแกะกล่องใหม่นี่โอ้โหใจตื่นเต้นตูมตามพอใช้มันไปสักพักนึงแล้วมันก็หายเต้นแนละ้วมันชินชากับมันก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายตรงไห น, นเป็นเรื่องธรรมดาหมด้เลยมีอนะีกค mm ่ะ hmm. mm hmm. คำถามจากคุณพชนีนั่งภาวนาไปแล้วมันเห็นจิตมันส่งออกไปฟุ้งออกบ่อยมากพอรู้ตัวมันก็กลับเข้ามามันก็ลงไปพักพอมันมีแรงมันก็วิ่งออกไปอีกเห็นว่ามันทำของมันเองมันไม่ใช่เราทำแบบนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกคือจิตนี่เราต้องควบคุมมันเพราะว่ามันไปเพราะอานาจของกิเลสตัณหา แล้วกิเลสตัณหามันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์เราต้องหยุดมันไม่ใช่ปล่อยให้มันไปหน้าที่ของเรานี่มาเพื่อมากำจัดกิเลสตัณหาเฉะั้นถ้ามันจะไปก็ต้องหยุดมันเพราะมันไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเราหยุดมันได้กิเลสตัณหามันก็จะหมดไปแล้วใจก็จะไม่ไปไหนใจมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วมันก็จะให้ความสุขกับเราไปตลอดคําถามจากคุณนวพร คนกินยาดองผิดศีลข้อสุราไหมเจ้าคะอ่าถ้ามันเป็นสุราก็ผิดแหละอต่าไปเรียกไปเปลี่ยนชื่อมันก็ม่ใช่มันก็ยังเป็นสุราอยู่แคนสมัยนี้มันชอบหาขอ้อหาช่องโหว่เลยนะม <c oughs> ันมันน่า ก, กฎหมายเลยคําถามจากคุณธรรมชาติถ้านั่งสมาธิอยู่แล้วรู้ตัวว่ากําลังจะเข้าผวังหลับหลายครั้ง ควรจะฝืนนั่งเหมือนเดิมแต่พยายามดึงสติกลับมาด้วยอุบายต่างๆหรือควรจะเปลี่ยนอริยาบทไปเลยดีกว่าครับก็แล <g ül w> ้วแต่ว่าทำอย่างไรได้ก็ทำไปถ้าทำาแล้วมันมันหายง่วงมันไม่หลับก็ก็ทาไปถ้ามันทำไม่ได้มันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเสียเปลี่ยนอริยาบทคาถามจากคุณกรุงจินผมมีความจำเป็นจะต้องทางานกับคนที่เขาทำร้ายเรา จะวางใจหรือรักษาใจอย่างไรครับให้สามารถควบคุมให้เราไม่โกรธไม่โกรธเขาและยินดีให้เขาทำร้ายเราอีกก็ได้นะครับเ อ, อก็คิดว่าเขาเพียงแต่ทำร้ายเรายังดีเขายังไม่ฆ่าเราคำถามจากคุณหนิงการที่ไม่ทราบว่าชาติก่อนได้อธิษฐานจิตอะไรไว้หากชาตินี้ขอถอนอธิษฐานจิตได้ใช่ไหมคะ ก็ไม่ทราบว่าจะถอนยังไงเพรรู้ว่าตั้งว่าไ ป, ไปไปไปตั้งอะไรไว้แล้วก็ใช่ว่าตั้งใจจะทําอย่างนี้อย่างเดียวเช่นจะทําบุญทําทานไปอย่างเดียวไม่ภาวนาเล ย, ยถ้ารู้ก็บอกว่าต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนการตั้งใจใหม่ว่าจะทําทานด้วยจะภาวนาด้วยหรือจะถ้าภาวนาก็ทําทานให้น้อยลงหรือไม่หรือทําทานทีเดียวให้มันหมดไปเลยหนเดียว มีเท่าไหร่ก็บอยจากไปหมดเลยแล้วก็มาภาวนาอย่างเดียวคําถามจากคุณชาร์ปนั่งสมาธิแต่อาจจะไม่สงบมากจิตฟุ้งไปบ้างถือว่ามีอานิสงส์ผลบุญมีกุศลเกิดขึ้นไหมคะก็มีบ้างนีถ้าสงบบ้างก็อานิสงส์ก็มีบ้างผลบุญก็มีบ้างหมดแล้วหมดแล้วเลยอเออดีมีใครอยากจะถามอีกไหม พามันถามมาทุกวันทุกวันยังกระทั่งคาถามมันหมดนะก็ดีนะถ้าถ้ายังอยากจะถามก็ถามได้ถ้าไม่ถามก็จะให้กลับกันละจะได้พักผ่อนยัง้างดีไหมยังไม่ก็ยังถ่ายทอดไปเรื่อยๆก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าญาติโยมอยู่ที่นี่ไม่รู้จะทำอะไรก็ คิดว่าฟังพอแล้วก็ไปได้เร่งก็จะปิดประชุมไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดเดีย๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวก็ตัดปิดได้เลยถ้ายัง คิดว่าพอแล้วนะสำหรับวันนี้ถ่ายทอดสดวันนี้ก็เอาแค่นี้ <Okay. S 1> พอให้ติดตามในวันต่อไป <Okay. S 1> ถ้าอยู่บ้านก็ติดตามได้ใน a ฟ e b o o k นะมีถ่ายทอดสดทุกบ่ายสองโมงถ้าต้องการส่งคาถามก็เขียนข้อความส่งเข้ามาได้ใน Facebook เลยแล้วก็จะถามตอบกันสดสด น, นอนๆนะอยู่ที่ไหนก็ถามเข้ามาได้มาจากคอนแกนยนะังไ<า>อม า, มาทั้งครอบครัวะคะ่ะอ่อ มารู้จั ก, <ห>จกที่นี้ทางได้ผ่านทางไหนมาเอนดูดูทุกวันอ่าดูทุกวันนะ <c oughs> ก็ดีก็อยากจะถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะอันนี้ได้ตอบหมดแล้วใช่ไหมก็เอาไปปฏิบัตินะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับธรรมของพุทธเจ้าได้ความสงบแล้วจะ <c oughs> ไม่อยากจะได้อะไรไม่ต้องมีอะไรมีความสงบนี้มีความสุขมาก ถ้าไม่มีความสงบนี้ต่อให้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็อยากจะมีอะไรเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยความสงบนี่แหละที่จะทําให้เราพอนอกนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราพอไนดะ้งนั้นพยายามปฏิบัติกันพยายามจเจริญสติกันให้มากๆเพื่อทําใจให้สงบใจสงบแล้วใจจะพอจะไม่ต้องการอะไรจะปล่อยวางทุกอย่างได้จะยอมให้เสีย เสีทุกอย่างไปไนดะ้ยอมเสียชีวิตยอมเสียแฟนยอมเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียอะไรไปได้อย่า ง, างสบายไม่เดือดร้อนยังไงเราก็ต้องเสียอยู่ดีถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะเสียอย่างสบายถ้าไม่มีความสงบจะเสียอย่างไม่สบายเสียอย่างวุ่นวายใจเอาละนะแค่นี้แหละไปนอนได้